วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะทาญาติโยมพร้อมพระสงฆ์พุทธบริษัทสได้มาร่วมกันเห็นความสำคัญในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราได้ร่วมกันมาตั้งแต่หลายปี ถ, ถ้าเท้าความไปก็สมัยหลวงปู่เทศเทศรังสี ที่ท่านได้สร้างหอสงอาพาตอยู่ชั้นล่างที่ติดกับอะไรห้องฉุกเฉินข้างล่างแต่เหตุว่าคับแคบเลย ไ, ได้ย้ายขึ้นมาตึกสีนคริน19ชั้นพวกเราก็ได้ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างวันนี้งานตึกสงอาพาตชั้น1ิก็สำเร็จรู้ร่วงบริการพระคณะสงฆ์ตลอดมาได้สมปีแล้ว พวกเราก็เห็นว่าในเมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาก็ควรจะมีกองทุนมีกองทุนรองรับจึงได้ตั้งได้ไประชุมคณะกรรมการหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีมนิธิขึ้นมารองรับจึงได้ตั้งเป็นมนิธิขึ้นมาเรียว่ามนิธิหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต จากนั้นพวกเราก็ได้ระดมทุนทุกๆปีที่ผ่านมาและก็ปีที่แล้วพวกเราก็ได้มาร่วมกันอย่างปีนี้แหละก็ได้จะตุปัจจัยถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดว่าได้สองล้านเต็มเต็มปีที่แล้วเพราะว่าพวกเรารวบรวมกองทุนเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าหายากพอสมควรปีนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเมืองที่ท่านมาบรัคณะสิทธิอนุสิตของท่าน ท่านกมาโป้ใส่ก้อนใหญให่พวกเราก็เลยได้จตุตกปัจจัยปีนี้มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้สองล้านแต่ปีนี้ได้สองล้าน4 0 0แสนกว่าก็นับว่าถ้าจะรักษาภิษุสัมมาเนนเหมือนปีที่แล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะปีที่แล้วหลวงพ่อฟังจากคณะแพทย์หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องที่มีค่าใช้จ่ายสาหรับพระ พิสูจน์สำเนเณที่มาป่วยในตึกสงอาพาธนี้ได้ใช้จิตุปัจัยประมาณล้านเจดแสนกว่าแต่ปีนี้พวกเราได้ถึงสองล้านกว่าสองล้านสี่แสนแต่ว่าพระเนเนก็นับว่าไม่ใช่แต่ภาคตะวันออกเสียงเหนือเท่านั้นฟังฟังดูและทางภาคกลางทางภาคเหนือก็มารับรักษาในตึกสงของเราเพราะว่า ทราบข่าวในเกติศัพว่าเข้ามาแล้วได้รับความสะดวกสบายแลว้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอีกต่างหากเพราะนั้นพระสงฆ์เมื่อได้ยินแล้วท่านก็ได้ส่งมาหรือว่าเข้ามารักษารับรักษาที่โรงพยาบาลเพราะนั้นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลตึกสงอาพาธหลังนี้เมื่อพระสงฆ์เข้ม า, มามากค่าใช้จ่ายก็คง เพิ่มเติมเข้าไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันในฐานะที่หลวงพ่อเป็นผู้ประสานเป็นสะพานบุญให้แก่คณะทายาทโจมเป็นสะพานบุญให้แก่เพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายหลวงพ่อเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจในการเสียสละน้ําใจจาก ครบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนหรือพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เสียสละจะตุปัจเพื่อดูแลบำรุงพระพุทธ ศ, ศาสนาถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อพระสงฆ์ที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็จะได้ใช้จตุปัจก้อนนี้แหะอย่างที่ในแพทย์สุภาพชาติที่พูดว่ายาบางตัวก็มีราคาแพงเงินทุน30บบาทที่ทางรัฐบาลมอบให้ ก็ไม่สามารถที่จะซื้อยาตัวราคาแพงได้ก็ได้อาศัยกองทุนทุนนิธิมูลนิธินี่แหละมาซื้อยาตัวนั้นหรืออย่างนั้นมาดูแลพระสงฆ์หลวงพ่อว่าเนี่ยกองทุนหรือว่าเงินที่พวกเราเอามาทําบุญในครั้งนี้ถ้าจะเปรียบเทียบในการทําบุญในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธญาติท่านบอกว่า ทายกปฏิคาหทายกก็คือผู้ให้แต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมหลว ง, งพ่อก็เป็นทายกเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้มอบให้ปฏิคาหกก็คือผู้รับผู้รับก็คือตึกสงอาพาตึกสงอาพาตเนี่ยคือปฏิคาหคือรับปัจจัยจตุปัจจัยจากพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้จตุปัจจัยมาด้วยความบริสุทธ ไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้ปนไม่ได้จีไม่ได้รีดไถผู้ใดมาพวกเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์จากนั้นพวกเราก็ได้มาทําบุญกับปฏิคาหกคือผู้รับคือคณะสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เข้ามาโรงพยาบาลถ้าท่านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็จะไม่เข้ามาในเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เข้ามาเมื่อท่านเข้ามาแล้วพวกเราก็ได้ใช้กองทุนก้อนนี้ ดูแลบำรุงรักษาท่านท่านก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็ได้ไปศึกษาธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติกายวาจาใจของท่านบางท่านท่านจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะด้านรือยรักษาสุขภาพของท่านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วจากนั้นบางท่านก็ได้ไปเรียนหนังสือจดจาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็ไปเผยแผ่ธรรมะให้แก่พี่น้องประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งโลกได้รับความรู้ความฉลาดจากทำคำสอนของที่พระที่พวกเรารักษาล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้บอกกล่าวว่าทายกเหมือนกับข้าวปลูกนะข้าวปลูกปฏิ้าหกคือเนื้อนาถ้าว่าเนื้อนาก็เป็นเนื้อนาดี ไม่ท่วมไม่แง้งปุ๋ยดีอีกต่างหากแล้วข้าปลูกก็ไม่ใช่ข้าวปลูกแรงปีเข้าปลูกไม่เน่าไม่เสียสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นข้าวปลูกที่คัดเลือกอย่างดีแล้วก็เข้าปลูกก็ดีเนื้อนาก็ดีแล้วไปหวานลงไปพวกเราคิดดูก็แล้วกันเมื่อหวานลงไปแล้วเจ้าต้องได้รับดอกรับผลได้รับผลในการทำนานั้น เต็มที่ทีเดียวเพอะไหลพราะเนื้อนาดีไม่ท่วมไม่แล้งปุ๋ยดีอีกต่างหากอากาศดีอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราทายกเนี่ยได้เงินมาไม่บริสุทธิ์ไปคดไปโกงไปปล้นไปจี้เข้ามาแล้วก็ไปทําบุญจะจะไปเสียสละเถอะจะไปเสียสละทําบุญแต่ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม เหมือนกับเราหวานข้าวเข้าไปในป่าหญ้าแฝกหญ้าคาอย่างนั้นหละผลที่ได้รับก็ไม่ได้มากเพราะนั้นหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าเนื้อนาบุญที่พวกเราได้ทำนะคือพระภิกษุเก็บไข้ได้ป่วยเพราะพระเจ้าท่านยังได้ตรัสได้บอกกับพระสงฆ์ในคร้างพุทธกาลว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุข้ พระพุทธองค์เปรียบเทียบถึงขนาดตันถ้าผู้ใดอยากปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้าอุปถรรัมภะถาพระพุทธเจ้าให้ดูแลพระภิกษุไข่อันนี้สงฆ์มากเท่ากันเพราะฉะนั้นพวกเรามาทําบุญในครั้งนี้ท่านพวกเรามาทําบุญดูแลพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุผู้เป็นไข้แล้วก็ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราไม่ต้องสงสัยเลยตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้อย่างนั้นและก็พร้อมกันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อเองก็ได้ไปงานศพหลวงปู่ฟักทั้งที่หลวงปู่ฟักท่านก็เป็นลูกพี่และเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อรู้จักมักคุ้นกันอายุก็ไม่แก่เท่าไหร่แข็งแรงแต่มรณภัยเนี่ยไม่น่าไว้ใจ อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีกินดีมีความสุขเดินเหินไปไหนที่ได้เดินเดินเหินไปไหนได้ที่ว่าร่างกายของตอนเองจะไม่เป็นไรอันนั้นแปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตเนี่ยไม่ได้เลือกการจะฐานที่หลวงปู่ฟักของเราก็เหมือนกันท่านก็ป่วยท่านไม่ป่วยเลยเพราะงั้นเถอะจากท่านท่านก็จะไปรับนิสิตนิมนต์อีกต่างหากพอลุกขึ้นมาหน่อยเดียวท่านท่านก็ไม่ได้ล้มนะ จากนั้นเส้นเลือดก็แตกในสมองของท่านวันลุ่งขึ้นกองท่านของมรณภาพ น, ะนี่แหละชีวิตของพวกเราเถ้าจะว่าไปไม่ไม่เลือกพระนะไม่เลือกพระเลือกสงอีกต่างหากพร้อมที่จะไปได้ทุกคนทุกทุกคู่ทุกรูปทุกนามเพราะนั้นพวกเราควรจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้คิดไว้ในใจเสมอว่านะถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหน อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักจะโกรธจะเกลียดขนาดไหนหจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าก็จะต้องหนีจากเขาอีกสักวันหนึ่งให้คิดเป็นภาษาใจของตนเองไว้อย่างหลวงพ่อที่มาสร้างโรงพยาบาลมาเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ประสานเป็นสะพานบุญแก่ศรัทธาญาติโยมหมู่พวกกเพื่อนก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อไม่เคยคิดนะไม่ได้คิดในใจเลยว่า เมื่อข้าพเจ้าป่วยเข้าไเจ้าใจมารักษาโรงพยาบาลศรีนครินแห่งนี้หลวงพ่อไม่เคยคิดเลยหลวงพ่อตั้งความปรารถนาในจิตในใจตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าข้าพเจ้าได้ทําบุญได้ช่วยเหลือพระสงฆ์ได้ช่วยเหลือฆราวาสญาติโยมได้ช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้อย่าให้ข้าพเจ้าได้มาโรงพยาบาล ได้มาเจ็บให้ได้ในโรงพยาบาลเลยเอในใจคิดอย่างนั้นนะออย่าให้ผู้ค่าได้มานอนในโรงพยาบาลนี่เลยเอถ้าจะไปก็เมื่อเมื่อมีอายุขัยแล้วให้ป๊อกไปเลยเร็วๆอให้จบไปเลยเหาือนกันเถอะอไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอ็นโวท่านเป็นเจ้ากี่เจ้าการเจ้ายศเจ้ายางชักชวนมูมาทําบุญมาช่วยโรงพยาบาลเนี่ยท่านคงใจมาท่านคงจะอยากมานอนโรงพยาบาลมั่ง ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ชนะดินนะใ ห, ให้เปลี่ยนความคิดใหม่หลวงพ่อไม่ปรารถนาอย่างยิ่งเลยกันเถอะทานยังไงทำบุญยังไงก็ขออย่าได้มานอนโรงพยาบาลวันนั้นเถอะนี่นี่แหละหลวงพ่อตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นเพราะนั้นบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพอเราได้ทำบุญกับพระสงฆ์ ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ดีแล้วนี้ขอให้เป็นภาวะปัจจัยเพื่อคุนหนุนพวกเราอย่าได้มาเก็บไข่ได้ป่วยถึงถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายถาถึงจะตายจริงๆก็ให้หมดอายุไข่แล้วคราวนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือแล้วก็ให้ไปแบบง่ายๆอย่าให้ทนทุกข์ทรมานด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้มาร่วมกันสร้าง บุญกุศลแต่ละครั้งนะขอให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นหลวงพ่อว่าบุญกุศลนี่จะเกื้อกูลหนุนพวกเราขอขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญและก็พร้อมกันพวกเราได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ตีแล้วนี้นะบุญกุศลที่เราได้ทำได้เสียสละนี่มันเป็นเหมือนกับเงินนะเมื่อเราได้ทําไปแล้วเหมือนกับเงิน เงินนี่เราจะแปลโรคยังไงเราจะจะไปที่ไหนเราก็ไปได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีเงินคนมีเงินเหมือนกับคนมีบุญคนมีบุญก็เหมือนกับคนมีเงินถ้าเราได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วพวกเราจะไปเกิดในภพภูมิใดจะเป็นเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมจะมาเกิดในเมืองมนุษย์บุญกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนพวกเรา เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายให้พ่อบุญกุศลเกื้อกูลหนุนให้พวกเรามีแต่ความสุขความสบายใจเพราะว่าไปณสถานที่ใดในสงฆ์ทานเนี่ยเราจะไม่อดไม่อยากเราจะไม่ขับขันในปัจจัยสี่ ห, หลวงพ่อเนี่เชื่อในบุญในกุศลจ ร, จริงๆนะนเชื่อในบุญในผลแห่งการทําทานาั้นนะบางทีบางสิ่งบางอย่างบางครั้งกออ็ข่าวนี่ขับขันแล้วไง เราจะหาจตุปัจจัยที่ไหนนะในคิดในใจจะไม่กล้าพูดอะไรหรอกแต่วันดีคืนดีหรือว่าเวลาดีมันโผล่ออกมาทันทีเลยว่างั้นเถอะโดยที่ไม่ได้คาดในคิดไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเออบุญกุศลเนีเออ่เป็นพลังเออเป็นกําลังและเป็นพลังที่พวกเรามองไม่เห็นแต่มันอยู่ลึกๆในเมื่อเราขับขันและเรามีความจําเป็นบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนออพวกเราให้ประสบความสําเร็จ ไม่ให้มีความขบปกขับใจในปัจจัยสีของพวกเราในละบุญกุศลนะั้นมันเป็นพลังอย่างนั้นนะขนะสัตยาญาโญนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคนมีบุญแล้วทําอะไรมันงอกเงยไปหมดล่ะไม่น่าจะเป็นไปได้ขอเป็นไปได้เพราะเหตุไรเพราะมีบุญถ้าคนไม่มีบุญอะไรทําอะไรหลุดไม้หลุดมือหลุ ด, ลดตกตกหลนหลนไปเรื่อยนะถ้าคนมีบุญและมีแต่ความเจริญงอกเงย ง, ง, งอกงามเนีเพราะนั้นขอให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ปุญญาณิปลโลกัดสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาไอ้คนมีบุญแล้วอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบร้มเย็นเป็นสุขบุญนะั่นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราเกิดพบใดชาติใดก็เป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญจนถึงที่สดพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหะก็ด้วยบุญด้วยกุศลนั่นแหะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุน เพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ท่านได้พบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเหตุไม้กระดูกอธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบได้วาสักการะบูชา กระดูกเป็นพระธาตุนั้นท่านบอกไว้เลยว่านั่นคือกระดูกพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วกระดูกกระดูกของท่านจึงได้กลายเป็นพระธาตุเพราะฉะนั้นพวกเราได้กราบได้ไหว้พระอรหันต์ที่ท่านจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเนื้อนาบุญที่ดี อ, อย่างมากเพราะฉนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเกิดมาชาตินี้ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้ ทำบุญได้หวานพืชลงในเนื้อนาที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าเราหว่านลงในโรงพยาบาลอย่างนี้ได้ดูแลพระสงฆ์จากนั้นก็ทำได้ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนีวันนี้หลวงพ่อขอกล่าวขอบบุญขอบคุณหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยอํานาจคุณพระศีรัะตะนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความสบายใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเธิด